ข้อยีบรรดาพานและบัณฑิตทั้งสองนั้นบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นควรครบพวกพานไม่ควรครบเพราะพวกพานเป็นเช่นกับปลาเน่าผู้คบพานนั้นก็เป็นเช่นกับใบไม้ห่อปลาเน่าถึงความเป็นผู้อันวินยูชนทั้งหลายควรทอดทิ้งและครูนุงรังเกียจบัณฑิตทั้งหลาย เป็นเช่นกับของหอมมีกฤิศนาและมาลาเป็นต้นผู้คบประดิษฐ์นั้นเป็นเช่นกับใบไม้หอของหอมมีกฤิศนาและมาลาเป็นต้นถึงความเป็นผู้อันวินยูชนทั้งหลายควรยกย่องและเป็นที่เจริญใจด้วยว่าผู้ใดคบคนใดผู้นั้นก็มีคนนั้นเป็นคติแท้ ก็เพื่อแสดงความข้อนี้จึงควรเล่าเรื่องลูกนกแขกเต้าเป็นต้นไว้เป็นอุทาหรณ์